บอเกิดกำลังใจลูกรักเคยบอกลูกมาบ้างแล้วว่ากำลังใจเป็นกำลังภายในที่ทำให้คนเราเกิดความเข้มแข็งอดทนไม่ท้อแท้และหมดเรี่ยวแรงพร้อมที่จะต่อสู้ด้วยความมุ่งมั่นหากคนเราหมดกำลังใจหรือมีกำลังใจตกเสียแล้วบางครั้งถึงกับไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป อยากตายไปเสียให้พ้นๆแม้คนที่แข็งแกร่งหากหมดกำลังใจเสแล้วมือเท้าและสมองก็จะพลอยอ่อนปวกเปียกหมดกำลังไปด้วยอาจถึงขับคิดฟุ้งซ่านไปว่าจะทำไปทำไมทำไปก็ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรทำนองนี้คนที่เจ็บป่วยอยู่หากมีกำลังใจดีก็สามารถหายได้เร็วแต่พอหมดกำลังใจ ก็พานจะตายเอาดือด้อเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ควรที่จะหาทางเพิ่มกาลังใจให้แก่ตัวเองไว้เรื่อยๆอันกำลังใจนี้เกิดได้สองทางคือตัวเองทำให้เกิดกับคนอื่นทำให้เกิดในสองทางนี้ตัวเองสามารถสร้างกำลังใจด้วยตัวเองได้โดยเพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่ตัวเองเป็นตัวของตัวเอง จะทำให้เกิดความมั่นใจและศรัทธาในตัวเองความมั่นใจและศรัทธาในตัวเองนี้จะทำให้เกิดกำลังใจที่จะต่อสู้ด้วยลาแข้งของตัวเองนอกจากนั้นควรฝึกทำความดีทำสิ่งที่มีคุณประโยชน์ไว้มากๆความเป็นคนดีและเป็นคนมีประโยชน์จะทำให้เราคิดว่าเราก็ไม่ได้อยไปกว่าคนอื่นทำไมจะต้องมาท้อแท้หรือสิ้นหวัง หมดกำลังใจเพียงเพราะความผิดพลาดทำงานไม่สําเร็จแค่นี้อะไรทำนองนี้เมื่อมั่นใจและคิดได้อย่างนี้แล้วก็จะเกิดกำลังใจที่จะทำงานและทำความดีต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องรอให้คนอื่นมาให้กำลังใจก็ได้เรียกว่าสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เลยทีเดียว ตามใจตัวเองลูกรักความทุกข์ยากของคนเรานั้นมีสาเหตุมาจากเรื่องต่างๆแต่ที่เห็นได้บ่อยคือเกิดมาจากการตามใจตัวเองยิ่งเราตามใจตัวเองมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้นตามใจตัวเองหนึ่งครั้งก็จะทุกหนึ่งครั้งตามใจตัวเองห้าครั้งก็จะทุกห้าครั้ง คนที่ชอบตามใจตัวเองย่อมประสบความทุกข์ความผิดหวังความเดือดร้อนและหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาลราวคือเมื่อต้องการอะไรก็ต้องดิ้นรนแสวงหาหามาได้แล้วก็ต้องดูแลรักษาหัวงแหนไวมิให้จากไปมิให้สิ้นไปเมื่อจากไปก็เป็นทุกข์เสียใจวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีจบสิ้น จึงไม่เป็นตัวของตัวเองฝากชีวิตไว้กับสิ่งที่ตัวต้องการที่จริงคนเราไม่ควรตกอยู่ในอำนาจของใจจนเกินไปเพราะใจคนเรานั้นพล่องอยู่เสมอถมให้เต็มได้ยากถ้าตามใจตัวเองก็ต้องทุกข์ยากร่าไปเช่นตามใจปากก็ต้องลําบากไปหามาปรนเปลอเพราะปากมันร่าร้องอยากจะกินของดีๆแปลกๆ ยิ่งขึ้นไปตามใจตาตามใจหูก็ต้องดิ้นรนไปดูไปฟังหรือไปหาสิ่งที่ตาอยากดูสิ่งที่หูอยากจะฟังมาปนเปรอไม่รู้จักจบสิน้นทำไมเราจะต้องมาเป็นทาตรับใช้ของใจของตาของหูจนเกินไปด้วยเล่าลูกเอ้ยหากเราต้องมาเดือดร้อนทุกยากเพราะชอบใจตามใจตัวเองอยู่ ทำไมเราไม่ฝึกฝืนใจตัวเองดูบ้างล่ะลองฝึกเป็นนายของใจดูบ้างสิไม่ตามใจเสบ้างใจอยากจะไปลองไปฝืนไม่ไปตาอยากจะดูก็ลองฝืนไม่ดูหูอยากจะฟังก็ลองฝืนไม่ฟังฝืนได้บ่อยเข้าก็จะชินไปเองไม่ตามใจได้ก็จะไม่เดือดร้อนมากและไม่สิ้นเปลืองมาก ล้วนแต่จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนทั้งนั้นความยุดติดโูกรักชีวิตของแต่ละคนนั้นย่อมประสบกับความเดือดร้อนกันมากมายหลายอย่างในจำนวนความเดือดร้อนนั้นมีความเดือดร้อนเพราะความยุติดของเราเองรวมอยู่ด้วย ความยึดติดที่ว่านี้ก็คือการที่เราจะไปยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไปเช่นยึดถือในคนในสิ่งของในหน้าที่การงานในความรู้ตลอดถึงในความคิดของตัวเองจนเกินไปโดยยึดถือว่าคนนี้เป็นลูกของเราคนนี้เป็นภรรยาของเราหรือของสิ่งนี้เป็นสมบัติของเราดังนี้เป็นต้น ความยึดติดเช่นนี้แหละที่เป็นตัวนําความเดือดร้อนมาให้คนเรายึดติดอะไรก็จะทุกข์เดือดร้อนเพราะอันนั้นหากไม่ยึดติดอะไรเลยก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเลยหากลูกต้องการจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขจริงๆก็ต้องพยายามปล่อยวางอะไรๆลงบ้างอย่าไปแบกภาระอะไรไว้มากนะักมันหนักแรงมันเดือดร้อนด้วย ร, รมดาภาระที่แบกไว้บนบ่ามันจะหนักเรื่อยๆแต่พอวางลงเสีได้ก็จะหายหนักแล้วก็หายเหนื่อยส่วนภาระที่ใจแบกไว้หรือยึดติดไว้นี่สิมันวางได้ยากวางไม่ลงมันจึงทำให้หนักอกหนักใจเดือดร้อนอยู่ร่าไปถ้าแม้ว่ามีภาระหรือแบกภาระอะไรอยู่แต่ไม่ยึดติดกับภาระนั้นมากนะัก เวลาไหนควรปล่อยก็ปล่อยบ้างเวลาไหนควรวางก็วางบ้างเวลาไหนควรแบกก็แบกกันไปทำได้อย่างนี้ก็พอจะทำให้หายใจหายคอสะดวกขึ้นมีความปลอดโปร่งโล่งใจขึ้นและมีความสุขในชีวิตประจำได้บ้างดีกว่าแบกยึดติดอยู่ตลอดเวลาวางได้บ้างก็มีสุขได้บ้าง วางได้หมดก็มีสุขได้ทั้งหมดนี่แหละคือสัจธรรมละลูกเอ้ยความเย่อหยิ่งถือตัวลูกรักอันความเย่อหยิ่งถือตัวนั้นเคยบอกลูกมาบ้างแล้วแต่ก็อยากจะพูดซ้ำอีกกล่าวคือลูกต้องระวังอย่าเป็นคนเย่อหยิ่งถือตัว อย่าดูถูกดูหมิ่นคนอื่นโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานและก็คนที่เราติดต่อด้วยรวมถึงคนที่บ้านใกล้เรือนเคียงกันเพราะความเย่อหยิ่งถือตัวเป็นกิริยาที่ไม่งามเลยลูกไม่มีใครดอกที่อยากจะชอบคนที่เย่อหยิ่งถือตัวแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ชอบคนที่ทําเช่นนั้นกิริยาที่ถือว่าเป็นความเย่อหยิ่งถือตัวก็คือ การที่ชอบยกตัวข่มผู้อื่นชอบคิดว่าตัวเองดีเด่นกว่าเขามีความรู้มีหน้าที่การงานมีฐานะทางการเงินดีกว่าเขาและชอบวางตัวอยู่เหนือคนอื่นดูถูกดูหมิ่นหรือแสดงกริยาท่าทางรังเกยียจคนที่ด้อยกว่าเป็นต้นคนที่แสดงกิริยาอย่างนี้ออกมา ผู้คนรอบข้างจะรังเกียจไม่อยากเข้าใกล้และไม่อยากคบหาด้วยคนเย่อหยิ่งถือตัวมักจะถูกโดดเดี่ยวและต่อสู้ตามลําพังในเมื่อเดือดร้อนอะไรขึ้นมาความรู้ก็ดียศศักดิ์ก็ดีเงินทองก็ดีใช่จะช่วยเหลือคนเราได้รอดตัวหรือว่าพ้นภัยได้ทุกอย่างและทุกกล่าวไม่บางครั้ง สิ่งเหล่านี้ไม่อาจช่วยอะไรเราได้เลยไม่เต็จิตความเป็นเพื่อนและความไม่ถือตัวตัหากที่สามารถช่วยเราได้ในทุกกรณีอย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้คนเราจึงไม่ควรไปก่อความรังเกียจให้เกิดขึ้นแก่คนรอบข้างด้วยการดูหมิ่นถินแคลนเขาหรือไปเหยียดยามเขาสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรู คำนี้เขาสอนกันมานานแล้วแหละลูกเอาชนะกันด้วยเหตุผลลูกรักการเอาชนะค้าคารกันด้วยคำพูดหรือการทุ่มเถียงกันแม้จะเป็นด้วยเหตุผลบางครั้งก็ไม่อาจทำให้เหตุการณ์ต่างๆดีขึ้นได้อาจทำให้เสียเวลา แล้รังแต่จะทําให้แตกร้าวกันยิ่งขึ้นเสียด้วยซ้ําคําพูดที่มีเหตุผลไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทุกคราวทุกกรณีไปโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวความเข้าใจตรงกันความผ่อนหนักผ่อนเบาความนิ่งฟังด้วยความอดทนก็สามารถแก้ปัญหาครอบครัวได้เหมือนกันแม้ดูก็จะไม่ค่อยมีเหตุผล เอาเสียเลยก็ตามแต่เมื่อต่างฝ่ายต่างก็ยอมเข้าใจกันและอรอมชอมตกลงกันได้โดยสันติวิธีไม่แตกก้าวหรือว่าเลิกร้างกันไปเลยอย่างนี้ไม่ต้องใช้เหตุผลก็ได้ลูกสามีภรรยาหลายคู่ที่ต้องแยกทางกันเดินเพราะต่างก็ยึดถือเหตุผลมุ่งเอาชนะคคานรกันด้วยเหตุผล ถือว่าเหตุผลของตัวเองนั้นถูกต้องอีกฝ่ายไม่มีเหตุผลย่อมให้ไม่ได้ท้ายที่สุดก็ต้องแยกทางกันเหตุผลนั้นเป็นของดีแต่ต้องใช้ให้เหมาะสมกับกรณีและการเวลาด้วยในเมื่ออยู่ร่วมกันก็ทำงานด้วยกันการให้อภัยกันการยอมรับฟังความเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความอดกลั้นอดทน การไม่ถือสาในเรื่องเล็กน้อยแม้จะดูไม่ถูกต้องและไม่สมเหตุสมผลก็ตามแต่ถ้าสามารถประสานความสามาคัคคีและป้องกันความแตกกร้าวได้ก็ยังดีกว่าการใช้เหตุผลแต่ทำให้แตกกร้าวขึ้นในเรื่องความรักและการครองเรือนนั้นบางทีก็นำเหตุผลมาใช้ไม่ได้บางครั้งมันอยู่เหนือเหตุผลความเข้าใจตรงกัน และยอมรับกันได้เป็นดีที่สุดหากจะผิดพลาดอะไรไปจะได้ไม่มานั่งโทษกันหรือถกเถียงกันว่าใครผิดใครถูกเพราะต่างเห็นดีเห็นงามได้กันแล้วสตินำปัญญาตามลูกรักเมื่อเราไม่ต้องการความผิดพลาด ไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายในสิ่งที่ทำหรือที่พูดไปก็ต้องคิดก่อนทำคิดก่อนพูดเสมอไปการคิดก่อนทำคิดก่อนพูดเพื่อป้องกันความผิดพลาดนั้นเป็นความหมายของคำว่าสติสติหมายถึงความพินิจไตรตรองความนึกขึ้นได้ไม่หลงลืม สตินี้เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการดําเนินชีวิตคนเราต้องมีสติอยู่เสมอนะลูกคนที่เผลอสติขาดสติจะทำอะไรพูดอะไรก็มักจะผิดพลาดเผลอพลายลืมโน่น้นลืมนี่เมื่อขาดสติก็ทำให้เสียหายร่ำไปต้องมาเสียเวลาแก้ตัวหรือแก้ปัญหาภายหลังทำให้ยุ่งยากมากขึ้น การมีสติเท่ากับมีเครื่องป้องกันความผิดพลาดและความเสียหายไว้ชั้นต้นสตินั้นจะต้องนำปัญญาคือความรู้ความสามารถปัญญาจะต้องมีสติคอยควบคุมอีกชั้นหนึ่งสติต้องเป็นตัวนำปัญญาเป็นตัวตามคนที่มีปัญญาฉลาดรอบรู้สารพัดแต่ขาดสติก็มักจะทำอะไรผีพรามไม่ทันคิด หรือไม่ได้คิดดันทุรังไปข้างหน้าเรื่อยไปพอเกิดผิดพลาดเสียหายขึ้นมาก็มักจะบ่นเสียใจภายหลังว่ารู้อย่างนี้ไม่ทำเสียดีกว่าอะไรํำนองนี้ประเภทนี้เรียกว่ามีปัญญานำสติตามถ้ามีสตินาปัญญาตามทุกอย่างก็จะไม่เกิดความยุ่งยากเสียหายจะสาเร็จเรียบร้อยด้วยดีดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าสติกับปัญญาเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากในการทำงานทุกอย่างแล้วก็จะต้องมีคู่กันไปมีสติแต่ขาดปัญญาหรือมีปัญญาแต่ขาดสติก็เอาดีได้ยากลูกโรคหูเ่าลูกรัก สามีภรรยากันก็ดีเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็ดีเป็นมิตรเป็นสหายกันก็ดีเป็นพี่น้องกันก็ดีจะมีโรคแทรกอย่างหนึง่งที่ทําให้เกิดความร้าวฉานหรือไม่เข้าใจกันได้โรคนั้นคือโรคหูเบาอาการของโรคหูเบาก็คือเชื่อง่ายขาดความพินิจพิจารณาไม่คิดหน้าคิดหลัง มีใครมาพูดอะไรในทางที่ไม่ค่อยดีของสามีภรรยาของเพื่อนของพี่น้องหรือของคนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแทนที่จะฟังหูไว้หูกลับเชื่อทันทีหรือเห็นด้วยทันทีว่าเป็นความจริงทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อนยังไม่ได้สืบสาวราวเรื่องก่อนบางครั้งยังไม่รู้จักคนพูดดีเสด้วยซ้าอย่างนี้แหละ คือโรคหูเบาความจริงเมื่อมีใครมาพูดถึงเรื่องคนโน้นคนนี้ที่เกี่ยวข้องกับเราเราต้องวางใจเป็นกลางหนักแน่นไว้ก่อนเป็นดีที่สุดสามีภรรยาที่ติดเชื้อโรคหูเบามาจากคนอื่นต้องมาทะเลาะกันต้องมาแยกทางกันเพราะโรคนี้มีมากต่อมากแล้วลูกเพื่อนต้องแตกจากเพื่อนพี่น้องต้องแตกกัน เพราะโรคหูเบาก็มีให้เห็นไม่น้อยเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วเมื่อมีใครมาเล่าอะไรให้ลูกฟังก็ฟังหูไว้หูแม้ว่าคนที่พูดนั้นจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้ก็ต้องไตร่ตรองให้ดีกรองเส ก, ก่อนค่อยเชื่อแต่ถ้าคนที่พูดเป็นคนไม่น่าเชื่อถือด้วยแล้วก็ตัดไปเลยไม่ต้องเก็บมาคิดให้รกสมอง เพราะในโลกนี้มีคนที่ชอบปั้นน้ำเป็นตัวชอบเห็นคนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่เป็นอันมากคนที่ชอบเสียมเขาควายให้ชนกันคนที่ชอบทำลายคนอื่นด้วยคำพูดก็มีไม่น้อยจะต้องระวังคนพวกนี้เข้าไว้ให้ดีหนักแน่นเข้าไว้ทาหูให้หนักเข้าไว้เป็นดีที่สุด จัดอันดับความสำคัญลูกรักบางครั้งเราอาจเกิดความไม่สบายใจในการจัดงานและภาระต่างๆของเราเองดูมันไม่เป็นระบบระเบียบยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดอาจกล่าวได้ว่าที่สับสนวุ่นวายนั้นเกิดจากการจัดอันดับความสำคัญไม่ถูกคือเราไม่ได้วางแผนหรือคิดไว้ก่อนว่าอะไรควรทำก่อนทำหลัง อะไรควรมาก่อนมาหลังหากแต่คิดอะไรก่อนก็ทําไปทั้งที่ยังไม่จําเป็นจะต้องทําเอาไวท้ทีหลังก็ได้เป็นการให้ความสําคัญต่อสิ่งนั้นเกินไปโดยไม่จําเป็นส่วนเรื่องที่จําเป็นจะต้องทําก่อนกลับเห็นว่าไม่จําเป็นเก็บไว้ทําทีหลังเสียก็เลยพาให้วุ่นวายทําให้สําเร็จบ้างทําไม่ทันบ้าง ดังนั้นการจัดอันดับความสำคัญของสิ่งที่จะต้องจัดต้องทำจึงจำเป็นมากอะไรควรทำก่อนทำหลังต้องคิดให้ดีไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานเท่านั้นแม้เรื่องคนก็จำเป็นต้องจัดอันดับความสำคัญของแต่ละคนไว้เหมือนกันใครมีความสำคัญต่อเราอย่างไรเราควรติดต่อควรไปหาควรดูแลคนไหนก่อน หลังอย่างไรต้องจัดอันดับให้ได้แล้วก็จัดให้ถูกไม่อย่างนั้นก็จะเกิดความวุ่นวายและบกพร่องได้แม้แต่คนในครอบครัวของเราคือพ่อแม่ลูกภรรยาสามีรวมไปถึงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเราก็ต้องจัดอันดับความสำคัญและความจำเป็นก่อนหลังแม้เรื่องเจ็บไข้ความเป็นอยู่ ความอบอุ่นทางจิตใจของแต่ละคนก็ควรจะจัดอันดับความสําคัญและความจําเป็นไว้เช่นกันว่าควรปฏิบัติแก่ใครก่อนมากน้อยอย่างไรถ้าจัดอันดับได้ความสับสนวุ่นวายความน้อยเนื้อต่ําใจหรือความร้าวฉานก็จะไม่เกิดขึ้นฝึกทําไว้ไม่เสียหายอะไรมีแต่ทําให้สบายใจ และสบายหูโดยส่วนเดียวการให้กำลังใจกันลูกรักในายามที่คนเราได้รับความผิดหวังเกิดความท้อแท้หรือกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่หนักอกหนักใจ <S <S กระตันยูต่อตัวเองลูกรัก ลูกคงเคยได้ยินพระท่านสอนให้คนเราเป็นคนกะตันยูรู้คุณคนเช่นกะตันยูต่อพ่อแม่กะตันยูต่อครูบาอาจารย์บ้างท่านว่าความกะตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีเขาประพฤติป ฏ, ปฏิบัติกันเป็นปกติแต่ความกะตันยูนั้นจะควรทำแก่คนอื่นเท่านั้นก็หาไม่หากแต่ควรทำแก่ตัวเองด้วยนะลูก คือเราต้องกระตันยูต่อตัวเองด้วยลราวคืออวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราไม่ว่ามือเท้าแขนขาตาหูรวมไปถึงหัวใจก็ล้วนแต่มีบุญคุณต่อตัวเราทั้งสิ้นเราใช้งานเขาเราอาศัยเขาไปไหนมาไหนเขาช่วยเหลือเรามาตลอดตั้งแต่เกิดเราจึงควรกรตัญยูรู้คุณต่ออวัยวะเหล่านี้ด้วย ความกตัญอูต่ออวัยวะร่างกายเราสามารถทําได้โดยการไม่ใช้เขาจนเกินกําลังให้เขาได้พักผ่อนบ้างดูแลเอาใจใส่เขาอย่างดีบํารุงเลี้ยงเขาให้เติบโตแข็งแรงเข้าไว้หากเขาผิดปกติหรือเจ็บป่วยลงก็ต้องรีบรักษาอย่าปล่อยให้เขาเจ็บปวดทุกข์ทรมารโดยเด็ดขาดการเอาใจใส่เขาก็จะได้อยู่ รับใช้เรานา น, านๆไม่พิกลพิการหรือสุดโทมลงก่อนเวลาและอย่าทำร้ายเขาด้วยการเสพของมึนเมาแล้วก็ยาเสพติดเป็นอันขาดอันเป็นการบั่นทอนกำลังเขาเข้าไปจะทำให้เขาอ่อนแอสุดโทมอย่านำเขาไปเที่ยวเตรหามรุ่งหามค่าจนไม่ได้พักผ่อนพอเพียงเป็นการทรมานเขา การที่ทําอวัยวะต่างๆอ่อนแอสุดโซไม่ได้รับการพักผ่อนไม่ดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรอย่างนี้ชื่อว่าไม่กระตันอยู่ต่อสังขารไม่กระตันอยู่ต่อตัวเองคนที่ไม่กตันอยู่ต่อตัวเองเช่นนี้จะมีอายุไม่ยืนและจะถูกโรคภัยเบียดเบียนให้ต้องเจ็บป่วยอยู่เสมอล้วนทําให้ตัวเองเดือดร้อนทั้งสิ้น ชีวิตมีค่าลูกรักลูกรู้ไม่ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือชีวิตไม่ว่าชีวิตของเราหรือของใครล้วนมีค่าทั้งสิ้นมีค่าทั้งแก่ตัวเองและแก่คนอื่นด้วยดังนั้นในศีลห้าท่านก็ยกเรื่องการเว้นจากการฆ่าสัตว์ไว้เป็นข้อต้นเพราะเห็นว่าชีวิตสำคัญนั่นเองจึงไม่ควรฆ่าและไม่ควรเบียดเบียนชีวิตกัน เมื่อลูกรู้ว่าชีวิตมีค่าอย่างนี้แล้วจึงควรรักษาและทนุถนอมชีวิตให้ดีการกรตัญยูต่อตัวเองตามที่บอกมาแล้วเป็นการถนอมชีวิตอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งคือพยายามใช้ชีวิตให้มีค่าด้วยการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและคนอื่นให้มากที่สุดอย่างนี้จึงจะเรียกว่าใช้ชีวิตคุ้มค่าไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือย เที่ยวเตรหาความสำราญสามาลเทเมาลหาแก่นสารสาระชีวิตไม่ได้แล้วบอกว่าใช้ชีวิตคุ้มค่าใช้ชีวิตคุ้มค่าที่ถูกคือใช้ชีวิตไปทำประโยชน์การเอาเปรียบคนอื่นลูกรัก การที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นนั้นเราไม่ควรเอารัดเอาเปรียบเขาการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นการกระทำที่ไม่ดีเลยลูกเป็นกิริยาที่น่ารังเกียจแม้ว่าจะได้ผลประโยชน์อะไรก็ตามก็ไม่ควรทำคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบเขานั้นไม่มีใครชอบหรอกลูกแม้เราเองเราก็ไม่ชอบให้ใครก็ามาเอารัดเอาเปรียบเราเมื่อเราเองไม่ชอบ ก็ไม่ควรไปทำอย่างนี้กับใครอย่าเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยหรือยุมหยิ้มเพื่อให้ตัวเองสบายแม้ว่าในบางครั้งเราสามารถเอาเปรียบคนอื่นได้แต่เราก็ไม่ควรทำนอกจากไม่ทำแล้วยังควรที่จะช่วยเหลือเขาอีกอย่างนี้จึงจะเป็นคนที่น่าคบน่านับถือดูเอาก็แล้วกันคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบเพื่อน ชอบเอารัดเอาเปรียบพี่น้องนั้นน่ะน่ารังเกียจแค่ไหนความมีน้ำใจต่อกันต่างหากที่ประเสริฐที่สุดจะเสียเปรียบไปบ้างก็ช่างเถอะคิดซะว่าเราได้ทำประโยชน์ให้เขาก็แล้วกันเราจะได้มีความสุขเองคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นด้วยความเห็นแก่ตัวนั้นเขาไม่รู้หรอกว่ากําลังทําลายความน่ารักน่าเชื่อถือในตัวเขาเองลงไปทุกขนา ไม่ควรคิดว่าการได้เปรียบคนอื่นและเอารัดเอาเปรียบคนอื่นได้เป็นความโก้เกหรือความสามารถอะไรแท้ที่จริงเป็นการทำลายตัวเองทั้งอ้อมมากกว่าคนบางคนขาดความน่าเชื่อถือลงไปไม่มีใครเขายกย่องหรือเชื่อฟังเท่าที่ควรทั้งที่ตัวเองก็มีอะไรหลายอย่างที่เหนือกว่าคนอื่นแต่ว่าขาดความน่าเชื่อถือไป เพราะเป็นคนชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนี่เองล่ะลูกการผูกใจคนลูกรักในพระพุทธศาสนาสอนวิธีผูกใจคนอื่นไว้สีประการคือแบ่งปันกันพูดดีต่อกันช่วยเหลือกันและวางตัวดีต่อกันทั้งสี่ประการนี้ใครปฏิบัติตามได้ ก็จะยึดเหนี่ยวจิตใจคนอื่นไว้ได้แต่อยากจะบอกลูกเพิ่มเติมว่านอกจากควรปฏิบัติตามหลักข้างต้นแล้วยังควรเว้นอีกสามประการคือดูหมิ่นเขากดเขาและยกย่องคนที่ด้อยกว่าเขาให้เกินหน้าเขาไปทั้งสามอย่างนี้ถ้าเราไปทำกับใครเขาก็จะอึดอัดเสียใจ และก็จะเกิดความท้อแท้หมดกำลังใจที่จะอยู่ช่วยเหลืองานเราเมื่อทนไม่ไหวเขาก็จะจากเราไปทําให้เราขาดกำลังไปโดยใช่เหตุยิ่งคนใกล้ตัวเราซึ่งเขามีความจริงใจและจงรักภักดีต่อเราด้วยแล้วเรื่องอย่างนี้เปล่ะาบางมากเพราะเขายอมทุ่มเทช่วยเหลือเราในทุกอย่าง แต่ผลที่เขาได้รับก็คือเราไปพูดจาดูหมิ่นเขาบ้างเราไม่ยกย่องส่งเสริมเขาแต่ไปกดเขาไว้บ้างไปยกย่องคนอื่นให้คนอื่นมาคมเหงรังแกเขาบ้างเมื่อโดนเข้าอย่างนี้ไม่ว่าใครก็ทนไม่ได้นานแม้แต่ตัวเราเองถ้าเจออย่างนี้บ้างก็คงถอยเหมือนกันเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรทำอย่างนั้น ต้องคอยดูว่าคนใกล้ชิดเราคนใดมีความจริงใจจงรักภักดีซื่อสัตย์ไม่มีนอกไม่มีในเราก็ควรยกย่องชมเชยให้เกียรติให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนให้ก้าวหน้าสูงขึ้นให้โอกาสเขาทำงานตามสติ ก, กำลังของเขาเราดูอยู่ห่างๆคอยแนะนำตักเตือนเมื่อเห็นเขาจะพลาด เท่านี้ก็พอที่จะผูกมิตรผูกมัดใจเขาไว้ได้แล้วลูกคนที่ผูกมัดใจไว้ด้วยหลักต่างๆเหล่านี้เขาจะไปไหนรอดความล้มเหลวที่แท้จริงลูกรักคนเราทุกคนกลัวความล้มเหลวด้วยกันทั้งนั้น โดยเฉพาะในหมู่นักธุรกิจและในชีวิตครอบครัวอันที่จริงทุกคนก็คงเคยผ่านความล้มเหลวกันมาแล้วไม่มากก็น้อยรู้รสชาติของความล้มเหลวกันดีแต่ก็ผ่านกันมาด้วยดีเพราะไม่ท้อแท้ไม่ยอมจำนนให้แก่ความล้มเหลวต่อสู้จนเอาชนะมาได้แต่ความล้มเหลวที่ผ่านมานั้นหาใช่ความล้มเหลวที่แท้จริงไม่ เพราะยังมีความสำเร็จอยู่ความล้มเหลวที่แท้จริงก็คือความล้มเลิกความล้มเลิกเป็นความล้มเหลวสิ้นเชิงของคนเราเพราะจะไม่สามารถไปถึงจุดหมายหรือความสำเร็จได้เลยลูกแท้จริงไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ย่อมจะมีอุปสรรคขัดข้องทั้งสิ้นผิดพลาดบ้างขาดทุนบ้างไม่ได้ตามที่ต้องการบ้าง นั่นมิใช่แสดงถึงความล้มเหลวแต่เป็นการบอกให้เราทราบว่าเรายังบกพร่องอยู่หากเราไม่ท้อแท้เลิกล้มเสียกลางคันพยายามแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆไปหรือปรับเปลี่ยนงานปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเสียใหม่ก็จะพบความสำเร็จได้ในที่สุดกราบใดถ้ายังลุกขึ้นมาต่อสู้ไปได้ก็ชื่อว่ายังไม่ล้มเหลว เพราะท่านสอนไว้ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามร่ำไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์แม้ว่าสิ่งที่พยายามนั้นจะมีทางสำเร็จเพียงน้อยนิดแต่ก็ชื่อว่าได้ใช้ความพยายามแล้วคนเขาจะดูหมิ่นเราไม่ได้ว่าเป็นคนล้มเหลวเป็นผู้แพ้ผู้ยอมจำนนต่อชีวิตดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการล้มเหลว ก็ต้องไม่ล้มเลิกเมื่ อ, อยังไม่ล้มเลิกก็ยังไม่ล้มเหลวแน่นอนแพ้ภัยตัวเองลูกรักเรื่องความกรตัญยูนั้นความจริงไม่อยากจะพูดบ่อยนักเพราะเกรงว่าลูกจะหาว่าพ่อแม่เรียกร้องความกตันยูจากลูกแต่ก็จำเป็นจะต้องบอกบ่อย จะเป็นผลดีแก่ตัวลูกเองกล่าวคือคนที่ขาดความกตันยูต่อผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่ที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นถือได้ว่าเป็นผู้แพ้ภัยตัวเองประสบความเจริญได้ยากยิ่งเป็นคนอกตัญญูหรือเป็นคนในระคุณด้วยแล้วท่านถือว่าเป็นคนบาปนาที่เดียวลูก ดังที่พระท่านสอนไว้ว่าได้นั่งหรือนอนใต้ร่มเงาไม้ใดไม่พึงหักรานกิ่งต้นไม้นั้นเพราะปะทุศร้ายมิตรเป็นคนบาปคนที่เนรคุณต้นไม้ที่ตนเคยพึ่งพาอาศัยร่มเงาท่านยังว่าเป็นคนปทุศร้ายมิตรและคนบาปเพราะทำร้ายแม้กระทั่งต้นไม้ที่มีบุญคุณแล้วคนละลุ หากว่าเป็นเนรคุณต่อคนที่มีบุญคุณเข้าจะเป็นคนบาปและเป็นคนเลวแค่ไหนคนเนรคุณนั้นย่อมได้รับผลเป็นความชั่วเองโดยที่ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาลงโทษเลยแต่ฟ้าดินคือกรรมจะลงโทษเขาเองทำให้เขาแพ้ภัยตนเองตลอดไปคนที่แพ้ภัยตัวเองนั้นจะทำอะไรก็ติดขัดมีอุปสรรคไปหมด ที่ควรได้ก็ไม่ได้ที่ไม่ควรเสียก็เสียจะได้อะไรแต่ละอย่างดูมันยากเย็นแสนเข็นเสจจริงคนที่แพ้ภัยตัวเองอย่างนี้บางทีก็ไม่รู้สึกตัวว่าทําไมตัวเองจึงต้องเป็นแบบนี้กลับไปโทษคนอื่นโทษชะตากรรมโทษ ด, ดวงดาวไปโน่นทั้งที่ตัวเองทําไว้เองคือตัวเองเป็นคนอักตัญยูเป็นคนปทุศร้ายมิตร หรือเป็นคนเนรคุณคนแท้ๆการตอบแทนบุญคุณลูกรักการตอบแทนบุญคุณคนที่มีพระคุณนั้นเป็นสิ่งควรทำเป็นความดีผู้คนยกย่องสรรเสริญแต่การตอบแทนบุญคุณนั้น ต้องเป็นไปโดยชอบทาถูกต้องแล้วก็ไม่ก่อทุกก่อเวรให้แก่ตนเองและคนอื่นเช่นต้องการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โดยการไปปล้นจี้หรือช่อโกงเขาเพื่อนำเงินมาซื้อสิ่งของให้พ่อแม่โดยอ้างว่าทำเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่หรือยอมทาชั่วทำผิดเพื่อทดแทนบุญคุณกันโดยให้การสนับสนุนหรือทาผิดระเบียบต่าง ตามที่ผู้มีพระคุณขอร้องให้ช่วยอย่างนี้เรียกว่าตอบแทนพระคุณโดยไม่ถูกธรรมไม่น่านิยมยกย่องและไม่ควรทาเพราะการตอบแทนบุญคุณคนที่ไม่ดีแต่มีบุญคุณกันด้วยการยกย่องสนับสนุนหรือยอมให้ได้เป็นใหญ่มีอานาจจะกลายเป็นการส่งเสริมให้เขาไปก่อความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นต่อไป การที่เราตอบแทนบุญคุณใครอย่างไรจะต้องพิจารณาดูให้ดีถ้าตอบแทนในทางที่ถูกต้องก็มีคุณตอบแทนในทางไม่ถูกต้องก็มีโทษอยู่เฉยเฉยไม่ตอบแทนเลยดีกว่าแม้จะไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ขาดทุนหาทางตอบแทนเขาทางอื่นที่ไม่ผิดดีกว่าการตอบแทนโดยวิธีที่เขาได้แต่ตัวเราต้องมารับกรรม หรือคนอื่นต้องมาเดือดร้อนด้วยย่อมไม่สมควรแน่นอนการตอบแทนบุญคุณกันนั้นใช่ว่าจะทำได้ครั้งสองครั้งทำได้แค่วันสองวันหรือทำได้แค่วิธีเดียวราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็สามารถจะตอบแทนบุญคุณเขาไดหา้หลายครั้งห ล, หลายวิธีขอให้การตอบแทนนั้นไม่ผิดธรรมเป็นใช้ได้ สุกแท้หรือสุขเทียมลูกรักคนเราทุกวันนี้ต่างดิ้นรนขวนขวายหาเงินทองกันตัวเป็นเกลียวแม้ข้ามมืดตึกเดินซึ่งควรเป็นเวลาหลับนอนก็ยังทํางานกันเพื่อเงินทองก็จริงอยู่ว่าเงินทองเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับคนยุคใหม่เพราะเงินทองสามารถบรรดาลสิ่งที่ตนต้องการได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญและสุข ว่ากันว่ามีเงินก็มีสุขหรือไม่เงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่ถ้ามีทั้งเงินทั้งทองเขายกให้เป็นทั้งน้องทั้งพี่แต่ก็ต้องดูกันให้ลึกต่อไปว่าความสุขนั้นตกอยู่แก่ใครใครเป็นคนได้รับสุขที่แท้จริงจากเงินทองหรือจากลาบยศที่สแสวงหากัน ในบางครอบครัวพ่อบ้านมุ่งแต่ทำงานหาเงินให้ครอบครัวจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวปล่อยให้ภรรยาและลูกเต้าดูแลกันเองเงียบเหงาอยู่ที่บ้านในบางครอบครัวพ่อบ้านไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยสำรองไว้ตังหากได้แต่ส่งเงินทองให้ภรรยาและลูกใช้เป็นเดือนเดือนไปโดยเข้าใจว่าภรรยาและลูกมีเงินใช้เพียงพอก็มีความสุขแล้ว ถ้าจะถามว่าความสุขที่พ่อบ้านหยิบยื่นให้นั้นเป็นความสุขทแท้หรือความสุขเทียมก็ตอบได้ว่าเป็นความสุขเทียมแน่นอนภรรยาและลูกนั้นจะมีความสุขแท้ได้ที่ไหนจะมีก็แต่ความระทมทุกินน้ําตาต่างข้าวความสุขที่ปะปนกับน้ําตาและความว้าเวนั้นจะเป็นความสุขที่แท้ได้อย่างไร บอกเกิดแห่งความสุขที่แท้จริงในครอบครัวนั้นก็คือความรักความอบอุน่นและการได้อยู่กันพร้อมหน้าส่วนเงินทองลาบยศนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบเท่านั้นหาความสุขที่แท้ให้ครอบครัวดีกว่าหาสุขเทียมให้ครอบครัวจึงจะนับว่าเป็นครอบครัวที่แท้จริง ภะษาคนแก่ลูกรักเรื่องของคนแก่มักเป็นเรื่องน่ารำคาญสำหรับคนหนุ่มสาวทั้งนี้พระวัยแตกต่างกันคนแก่ส่วนใหญ่จู้จี้ขี้บ่นไปน้อยใจชอบให้ลูกหลานเอาอกเอาใจความคิดเชื่องช้าส่วนคนหนุ่มสาวชอบความรวดเร็วเด็ดขาดไม่ชอบพูดมากนอกจากกับคนที่ตัวรักเท่านั้น ภะษาคนแก่เป็นอย่างนี้จึงทำให้คนแก่กับคนหนุ่มสาวเข้ากันไม่ค่อยได้แม้จะเป็นพ่อแม่ลูกกันก็ตามเวลานี้พ่อกับแม่เองก็แก่แล้วอาจจู้จี้ขี้บ่นไปบ้างลูกอย่าถือสาเพราะมันไม่ได้ตั้งใจทนรำคาญเอาหน่อยก็แล้วกันคนแก่ก็เป็นอย่างนี้เกือบทุกคนนั่นแหละลูกเห็นอะไรขวางหูขวางตาไปหมด ไม่ใส่ใจเสียบ้างก็ได้นิ่งฟังเฉยๆ เ, เสียบ้างปล่อยให้พ่อกับแม่บ่นไปตามประษาคนแก่ก็ได้เหนื่อยหนักเข้าก็จะหยุดไปเองนั่นแหละทำไงได้ล่ะลูกเอ้ยการจู้จี้ขี้บ่นเขาว่ามันเป็นนิสัยประจำตัวคนแก่ทุกคนหากได้บ่นออกมาบ้างได้ดุด่าลูกหลานบ้างมันก็ทำให้คนแก่อายุยืน เพราะว่าปอดได้ทำงานเลือดลมมันเดินคล่องเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดหนึ่งหากคนแก่หยุดบ่นเมื่อไหร่ลูกหลานจะเดือดร้อนเมื่อนั้นเขาว่าอย่างนั้นลูกคอยดูต่อไปก็แล้วกันว่าจริงอย่างที่เขาว่าหรือไม่ยังไงยังไงตอนนี้ลูกก็อดทนเอาหน่อยก็แล้วกันพ่อกับแม่ จะบ่นให้ลูกหลานรำคาญหูไปได้นานสักเท่าไรฝ า, ากไว้ให้ลูกลูกรักยงประจักษ์แจ้งจำคําเกื้อหนุนที่พ่อแม่เอ่อยเอื้อเกื้อการุนเป็นต้นทุนสร้างชีวิตเสริมกิจการขอจบคําพ่อแม่ไว้แค่นี้ ฝากวจีมรดกตกลูกหลานช่วยกันจําขับเคี่ยวให้เชี่ยวชาญจะพ้นผ่านพานภัยได้จาเริญขอให้ลูกพินิษทํทำคิดชอบถูกกระบอบปฏิบัติไม่ขัดเขินถูกบุคคลถูกเวลาอย่าขาดเกินเน้นดำเนินสายกลางทุกอย่างไป ขอจบคำพ่อแม่เพียงแค่นี้จำลาทีหมดการจะขานไขรักคิดถึงลูกมากจากหัวใจถึงตัวไกลใจอยู่คู่ลูกเอยนิธีนางวะปะวัตตารังยังปัเสวัชะทัตสินางคิดใครหวาทิงเมทาวิงตาทิสังปันดิตตังพะเช ตาท่สังภาชามานัสสยโยโหติณนะปาปิโยบุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญาช่วยชี้โทษคอยพูดห้ามปรามเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้และพึงคบผู้เป็นบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบคนเช่นนั้นย่อมมีแต่ความเจริญไม่เสียเลยพระธรรมกิตติวงศ์ ทองดีสุรัเตโชปเปรียนธรรมก้าราชบัณฑิตท่านผู้ฟังคะคำพ่อคำแม่จบบริบูแล้วคะ่ะ